7. นหาณะสิกขาบท110ถามทรงบัญญัติปราจิตตีแก่ภิกษุผู้เมื่อยังไม่ถึงครึ่งเดือนอาบน้ําณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงราชครุถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูป แม้เห็นพระราชาแล้วก็ยังอาบน้ําไม่รู้ความพอดีในนหานสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหพระอนุบัญญัติถามมีสัพพะทบัญญัติปเทสบัญญัติอยู่หรือตอบมีปเทสบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐาน เป็นเอละกะโลมะสมุดฐาน